องทำตงทำด้วยการทำต้องทำด้วยการทำความสงบด้วยการปฏิบัติอะรพรอ้อมนั่งให้สบายแต่งให้สบายนั่งเข้าที่คัดสมาธินั่งขัดสมาธิเป็นท่า เป็นท่าอง์อาจก้าหาญสอนวิธีนั่งสมาธินั่งขัดสมาธิขัดสมาธิเพชรขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับข า, ขาขวาก่อนแล้วจึงเอาขาขวาขึ้นทับขาซ้าย จะเห็นฝ่าเท้าทั้งสองทางข้างบนอันเรียกว่าขัดสมาธิเพชรขัดสมาธิสองชั้นต้องเอาขาขวาขึ้นทับขาซ้ายถ้าขัดสมาดอันจะไม่เห็นเท้าทั้งสองันนั่นเรียกว่านั่งขัดสมารธรรมดา ข, ดขัดสมาธิสองชั้นต้องเอาขาขวา กินทับขาซ้ายเรียบประนมมือขึ้นก่อนตั้งใจอธิษฐานไหว้ครูประนมมือขึ้นอธิษฐานนึกในใจตาม <c oughs> บัดนี้ข้าเพเจ้าจะตั้งใจปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติบูชาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอให้น้ำใจของขพเจ้าจงสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิมีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถรู้แจ้งแทงตลอด ในศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการเทินพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆ แล้วจึงวางเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดูพระพุทธรูปพระประธานเป็นตัวอย่างนั่งอกไขไลพึงอง์อาจก้าหาญไม่ให้ก้มนักก้มนักมันจะกดประสาทบางส่วนถ้าเงยนักก็ไม่เป็นที่สบาย ก้มทอดตาต่ำพอดีหลับตาเบาหลับตาไม่ให้แน่นเกินไปหลับลงพอมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ไกลๆเพราะว่าถ้าตาไปเห็นจิตความนึกคิดจะนึกไปตามหรือสัญญาจะไป จำได้หมายรู้ตามสิ่งที่สัมผัสกับตาเพราะนั้นจึงให้ปิดตาปิดตาปิดปากไม่พูดไม่กระดุกกระดิกตั้งสติความจงใจความระลึกรู้ให้กำกับอยู่กับคำบริกรรมเดี๋ยวบริกรรมภาวนา เมต ก, กีเราสาธยายทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสวดมนต์หรือเจริญพุทธมนต์เป็นการสาธยายพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าตามบทบาลีตามภาษาบาลีการสาธยายให้มีสติความระลึกลู่กํากับไป ทุกขณะกับคำสาธยายเรียกว่าสาธยายภาวนาสาธยายมากๆยาวๆเป็นช่วโมงสองชั่วโมงแต่ให้สติกำหนดรูปปัจจุบันในการสาธยายในบทสาธยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆ เ, เรียกว่าเป็นการกลอมจิตใจ กรอมความรู้เนี่ยไม่ให้เยียงไม่ให้น้อมไปตามอารมณ์อย่างอื่นเป็นการตัดกระแสสัญญาสังขารที่จะทรงสายไปข้างหน้าข้างหลังรู้อยู่กับปัจจุบันเมื่อกำหนดต่อเนื่องกับการสาธยายจึงสามารถทำให้ จิตใจนี่รวมอยู่กับความรู้ความสาธยายเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันพอวางสัญญาอารมอย่างอื่นได้ละเอียดเข้าไปก็จะกลายเป็นจิตว่างจิตว่างไม่มีสัญญาอารมร์รกกวนนี่ก็เป็นอุบายภาวนาที่เรียกว่าสาธยายภาวนาที่นิบริกรรมภาวนา ขณะนี่เดียวนี่แต่งกายแต่งนั่งให้ไม่มีที่คัดเครื่องแล้วก็ตั้งสติกําหนดลมหายใจกํากหนดลมหายใจเป็นอารมณ์ก็กำหนดที่ปลายจมูกเอาความรูปความระลึกรูปมารวมกันทั้งรูปทั้งระลึกรูปที่ปลายจมูกรู้ว่าหายใจเข้า นึกพุทธหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโทตามจังหวะของลมเข้าลมออกไม่ต้องกดต้องเกรงเพราะถ้ามีการกดการเกรงจะเป็นที่เกิดความขัดเคืองแต่สิ่งสำคัญให้ทำความตื่นความรู้กับการ หายใจเข้าหายใจออกมันให้เด่นเด่นเด่นลูเด่นเด่นต่อเนื่องกันถ้ากําหนดอย่างนั้นมันจะเผลอมันจะหลับก็ให้กําหนดนับทีนี้เพิ่มงานเพิ่มงานของความรู้ของความระลึกรู้เข้าไปอีกโดยการนับหายใจเข้าพุทธ หายใจออกโทรกำหนดนับหนึ่งในใจไว้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับสองหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับสานับไปเรื่อยจนถึงสิบไม่เพลิดต่อไปเรื่อยถ้าเพลิดกำหนดใหม่นับใหม่นับตั้งต้นจากหนึ่งไปใหม่จนถึงสิบ ไม่เผลอไม่เผลอไม่ลืมเอาต่อไปถึงยี่สิบสามสิบไปจนถึงร้อยถึงร0อยนับไม่ไปถึงร0อยไม่เผลอถึงสองร้อยสามร้อยข้างถ้าไปถึงหนึ่งพันห้าร้อยขงตาม จังหวะหายใจพอดีพอดอีก็จะได้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแต่อย่ากังวลว่าจะได้เท่าไรอย่างไร อ, อันนี้เป็นเป็นวิธีกำกับเป็นวิธีขยับสติให้มีความกล้าเพราะจริงว่าหางานให้สติธรรม คือให้ระลึกรู้ท้งระลึกรู้ว่าหายใจเข้านึกกุดหายใจออกนึกโทท้งระลึกรู้กาหนดหนึ่งกาหนดนับสองสามไปด้วยนี่คือการเพิ่มงานให้ความระลึกรู้ทำงานทำงานให้มากทำงานให้เด่นเื่อกําหนดรู้ไปจนถึงล้อยถึงพันไม่เพอิน อันววสติ i, ต่อเนื่องกันที่นี้เมื่อมต่อเนื่องกันแน่วแน่แล้เขาจะหยุดนับจะหยุดบริกรรมก็กําหนดรู้ปัจจุบันความรู้นั่นก็จะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปด้วยความรู้ความตื่นแต่จะไปเป็นความรู้เด่นเป็นปัจจุบันอันเรียกว่าจิต วางสัญญาลมรวมเข้าสู่ความเป็นหนึ่งของตัวเองเ ก, กิดกิรวมลงเป็นสมาธาิทำความสงบทั้งใจบริกรรมภาวนาจากยี่สิบนาที ว่าถูกกลอมด้วยอารมณ์แห่งธรรมด้วยความมีสติด้วยสติจดจ่อมันก็เหมือนกันกันกบกล่อมเด็กให้นอนเด็กเมื่อได้ยินเสียงกลอมเสียงเพลงขับเพลงกล่อม ก็มีความสนใจจิตไม่คิดปุุงฝุ่งไปตามความอยากความคิดอย่างอื่นแล้วก็นนอนหลับนี่แม่แม่เลี้ยงลูกแม่กองลูกให้นอนการบริกรรมภาวนา รือสาทยายภาวนานี่เป็นการกล่อมจิตใจถ้าไม่กล่อมด้วยอารมณ์แห่งธรรมใจที่เป็นธรรมชาติรู้ถึงแม่เขาไม่ได้มีอาการนึกคิดปรุงแต่ง อาการนึกคิดปรุงแต่งนั่นมันเป็นอาการอีกอันหนึ่งเกิดขึ้นภายในใจเกิดขึ้นภายในธรรมชาติรูปคือใจเมื่อมันคิดปรุงฟุ้งมันจึงเป็นเหตุให้เป็นความกระทบกระเทือนต่อธรรมชาติรูป คือธรรมชาติรู้ก็จะรู้ว่าไม่สบายมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายแล้วก็จะรู้ไปตามนั่นไปตามความกระทบกระเทือนความคิดปรุงฟุ้งของใจที่ไม่รู้อยู่กับความเป็นปกติในอารมณ์มันเดียว เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้การบริกรรมทำบริกรรมเป็นการกล่อมใจเป็นการมุ่งมั่นของความรู้มุ่งมั่นของความระลึกรู้คือสติจนกลายเป็นสัมภชัญญะ มีความรู้ตัวต่อเนื่องนีเป็นการฝึกอบรมสมถะธรรมทีม่ท่านเรียกว่าสมถะธรรมมือการภาวนาปลอมใจให้รวมเข้าสู่เอกคตาอารมณ์คืออารมณ์มันเดียว ก็จะทำให้ประหารความทุกข์ปราหารความฟุ้งซ่านออกไปเหลือแต่เป็นความสงบสงบได้เป็นชั่วคู่ชั่วขณะท่านก็เรียกว่าคนิกะสมาธิ หรือการประหารความฟุ้งซ่านวุ่นวายนั่นชั่วขณะชั่วขณะเมื่ออันมีกำลังละเอียดเข้าไปมันก็มีความสงบอยู่นานมีความตั้งมั่นเป็นตัวของตัวไม่ รู้ไปตามอารมณ์ไม่รู้ไปตามสัญญาสังขารอย่างอื่นเนี่ยจะว่าเป็นจิตรู้จิตจิตรู้จิตจิ ต, จตเห็นจิตหรือความรู้อยู่กับความระลึกรู้อยู่กับผู้รู้อยู่กับจุดแห่งความรู้ ท่านจึงว่าจิตรู้จิตจิตเห็นจิตเป็นมรรคแล้วก็ความวุ่นวายทั้งหลายขาดไปสงบไปสมรถธรรมนำใจให้สงบให้ขาดจากสัญญารมเครื่องควรใจทั้งหลายเรียกว่า ผลของสมาธิธรรมจากการน้อมพิจรารณาหรือว่าสร้างปัญญาสอนใจสอนใจให้รู้ให้รู้ความจริงรู้ตามเป็นจริงเดี๋ยวนี้ใจเนี่ยมันรู้ไปตามสัญญารู้ไปตามความคิดความนึกที่เรียกว่าเกตสิทธรรม เนตไปเรื่องไม่ดีท่านก็เรียกว่าอากุศลเป็นอกุศลแล้วจิตกลายเป็นผีจิตเป็นผีผีหลอกผีผีหลอกใจคือนึกคิดขึ้นมาแล้วหลอกตัวเองเพราะท่านจึงใช้ปัญญาสอนใจที่เรียกว่าธรรมวิจยะ คีอความสอดส่องรู้เท่าทันสัญญาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นถ้ามันเกิดเป็นสัญญาอารมณ์ไปจำได้ไม้รู้จำได้ไม้มั่นในสิ่งที่ชอบใจหรือสิ่งที่ไม่ชอบใจ จะทำให้เกิดความร้อนขึ้นมาเพราะฉะนั้นความร้อนท่านเรียกว่าไฟไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะความโลภ ค, ความอยากความเผอนั่นแหละเกิดก่อนความเผลอก็มไม่มีสติและลึกรู้ปัจจุบันเผอแล้วก็ เมื่อเพ้อแล้วสัญญาก็ทําหน้าที่ไปจําสิ่งโน้นสิ่งนี้นสังสขารก็ทําหน้าที่ปรุงแต่งไปตามสัญญาความรู้นี่ก็น้อมไปตามนั่นแหละก็ธรรมชาติรู้เป็นธรรมชาติรู้เท่านั้นรู้ไปตามสัญญาสังขารตามความหลง แล้วก็เกิดความอยากเกิดความอยากเกิดความไม่อยากเรียกว่าเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจความยินดีเกิดความยินร้ายไปทางความพรุงแต่งมีความยินดีก็เป็นตามวัชันจาเกิดความไม่ยินดีเกิดความไม่พอใจ ก็เป็นความโกรธความไม่พอใจทั้งสองอย่างเนี่ยทําให้เกิดเป็นความร้อนทั้งนั้นพอใจก็ร้อนไม่พอใจก็ร้อนท่านจึงว่าเป็นไฟพอใจก็เป็นราคะเกิดความร้อนเพราะความกําหนัดย่อมใจพอใจ เรียกว่าราคะกินาทไม่พอใจก็เป็นความโกรธความโกรธเป็นความผูกโกรธไว้ก็เป็นความร้อนอีกอันเรียกว่าโทสะคินาเป็นความโกรธแล้วก็เดือดดานเป็นโทสะคินา ไม่มีสติรู้เท่าทันไม่เกิดความสว่างในความรู้ในใจเพราะความเผลอเลยก็ เ, เป็นโมหะโมหะครอบงำก็เป็นความทุกข์ความร้อนเป็นความหงุดหงิดเป็นความไม่ปกติในใจ อันหนึงเรียกว่าไฟความหลงหลงยึดหลงถือหลงอยากหลงพอใจ <c oughs> อันนึงว่าราคะกินาโทสกินาโมหะกินาไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะครอบใจครอบธรรมชาติรู้คือใจจึงเป็นเหมือนกับว่าใจนี่ร้อน แต่ความจริงเหรอใจไม่ได้ร้อนใจเป็นธรรมชาติรู้อาการที่ว่าเป็นความร้อนเพราะความหลงต่างหาก <c oughs> สร้างปัญญาสอนใจให้รู้อาการต่างๆ <c oughs> แล้วก็สรุปลงสู่ความเป็นจริง แห่งใจลักษณะสุขก็าตามทุกข์ก็ตามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้ขันท่ารูปร่างกายเกิดขึ้นก็ดับไปแต่ว่าเห็นรูปตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยง<อ>เป็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไป และไม่ใช่ตัวตนเห็นสัญญาเห็นเวทนาความสุขสบายความทุกข์เดือดร้อนเจ็บปวดรับแค้นใจเป็นสิ่งที่อยู่ใต้กฎของธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เห็นเบทนาเห็นสัญญาความจาได้ไม้ลูกก็เหมือนกันเห็นสังขารความนึกคิดปรุงแต่งก็เหมือนกันเห็นวิญญาณความรับรู้นึกคิดรับรู้จดจำแต่ความรับรู้เมื่อตาเห็นหูได้ยินรับรู้ในอายตนะห คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลภภิ่นรสโอทภะเข้าใจความจริงของอาการเหล่านี้ด้วยปัญญาเรียวว่าทำลายความมืดลายความมืดความหลงด้วยปัญญานี่ขั้นสุดท้ายเมื่อฝึกจิตนี้ให้มี ศีลคือสติความกำหนดความสังวรความระวังเป็นศีลเป็นสติแน่แน่รู้เท่ารู้ทันกัน<ม>ก็เป็นสมาธิความมั่นใจความตั้งมั่นของใจ<ม>ใจเป็นสมาธิใจมีสมาธิก็สงบจากความปรุงความแต่ง ความสัดสายไปตามสัญญาลมเรื่องอดีตอนาคตก็ขาดไปเหลือแต่ความรู้อยู่ปัจจุบันอั น, นียวมีความตั้งใจมั่นในความรู้ความสงบอยู่เฉพาะใจจากการน้อมพินิษฐพิจารณาให้เห็นรูปเห็นเวทนาหเห็นสัญญาสังขารวิญญาณ คือเห็นรูปนามกายใจที่รวมกันอยู่ขณะที่มันยังไม่แยกจากกันที่มันเกิดเกิดดับๆับจำได้แล้วก็ลืมไปเผลอไปนี่เป็นธรรมชาติของสัญญาสังขารเข้าใจความจริงของสิ่งเหล่านียก็ไปเป็นไม่ไปหลงยึด ไม่ไปหลงอยากให้เป็นไปตามสัญญาตามสังขารนี่เรียกว่ารู้ความจริงด้วยปัญญามันก็วางความยึดมัน่นถือมัน่นความยึดความหลงไม่มีใจก็ไม่ร้อนไม่วุ่นวายก็เป็นปกติใจนี่ทําให้มีความสุขด้วยปัญญา ทำให้ใจสงบสุขด้วยปัญญาไม่ร้อนดับไฟนี่ว่าดับไฟราคะไฟโทฟะสะไฟโมหะด้วยปัญญาเพราะด้นการปฏิบัติธรรมจึงต้องเจริญสีลสมาธิปัญญา ปฏิบัติต่อกายต่อวาจาต่อจิตใจรวมสุดยอดของธรรมะธรรมสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่สว่างด้วยปัญญาคือรู้ความจริงด้วยปัญญาอริยสัจสี่สัจจะคือความจริง ตีประการแก่อะไรแก่ทุกทุกอยู่ที่ไหนทุกใจนั่นแหละเป็นผู้รู้ทุกเป็นผู้สัมผสัสว่าทุกสุขสบายเฉยเฉยนี่ทุกคนกำหนดรู้ทุกภายนอกเกี่ยวกับสัมผสัสกับร่างกายเก็บปวดเป็นโรคภัยไข้เจ็บ ทุกสะพาะใจทุกเพราะความคิดปุงฟุง่งพวกเพราะความอยากเกิดขึ้นเป็นทุกข์ในใจเป็นเวทนาใจเวทนากายทุกเก็บปวดเพราะสัมผัสกับร่างกายรู้เข้าใจความจริงในสภาวะธรรมเหล่านี้ ทกุกินจะดับไปคือลูกความจริงด้วยปัญญาจรีว่าปัญญาสัมมาทิธฐิมักมีองแปดแปดอยู่ที่ไหนแปดอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจเนี่ยรวมลงจุดใหญ่หรือว่าต้นตอที่เป็นใหญ่เป็นประธาน เขาคือใจว่าบอกเกิดแห่งสุขแห่งทุกข์บอกเกิดแทง่งความโลภโกรดหลงเกิดอยู่ที่ใจมีใจเป็นที่เกิดมีใจเป็นแดนเกิดเพราะฉะนั้นจึงปฏิบัติต่อใจนี่แหละที่ว่าตั้งสติกำหนดให้รู้ให้แน่วแน่ให้มีอารมณ์อันเดียว ก็จะมีขึ้นได้อยู่ที่ใจแล้วก็ทำลายความมืดความหลงด้วยปัญญาทำลายเชื่อแหงความหลงด้วยสติด้วยปัญญาคือสร้างสติให้ะระลึกต่อเนื่องกันปัญญารอบรูปความจริงแหงสว่าง แห่งปัญญาแสงสว่างอย่างอื่นเสมอด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาไม่มีนี่จึงว่าพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาแห่งปัญญาศาสนาแห่งความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ทุกข์ตามเป็นจริงรู้เหตุให้เกิดทุกข์คือความยากที่เกิดอยู่ขึ้นที่ใจเนี่ รู้ตามเป็นจริงรู้ความอยากตามเป็นจริงรู้ทุกข์คือผลตามเป็นจริงรู้เหตุปฏิบัติเหตุทาสติสมาธิปัญญาให้แก่ก้าก็จะเข้าถึงความดับทุกข์อย่างสนิทคือนิโรธ ความดับทุกข์เพราะความรู้แจ้งเพราะความทําให้แจ้งซึ่งปัญญาเนี <c oughs> ่ยก็พิจธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นธรรมเพื่อนําชีวิตนําจิตใจนี่แหละให้เดินไปตามเส้นทางแห่งความสิ้นทุกข์สิ้นสุดทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธเจ้าทรงสอน ธรรมะไปตามลำดับสอนทานเรียกว่าทานกาถาพันรนาอา น, นิสงของทานของการให้การเสียสละศีลและถาพันรนาคุณอา น, นิสงของความสำรวมจิตใจด้วยความมีสติมีสัมปชัญญะเพื่องดเว้นจาก สิ่งที่จะเป็นโทษทางกายทางวาจาและควบคุมเขาไปถึงใจเพราะใจเป็นต้นเหตุใจเป็นมหาเหตุนึกคิดส่วนที่เป็นความดีท่านก็เรียกว่ากุศลลกิจนึกคิดสิ่งที่ไม่ดีก็เรียกว่าบาปก็เรียกว่า อ, าอกุศลเนเพราะอยู่ใน จิตอันเดียวในฉากอันเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงให้รูปฉากแห่งความเศร้าหมองหรือความพองใสที่ว่าบุญบาปให้รูปบุญเกิดที่ที่ใจให้เป็นบุญได้ก็พะใจบาปเกิดที่ที่ใจให้เป็นบาปได้ก็พอใจอยู่ในแหล่งเดียวกัน ทางปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความจริงให้ถึงความสิ้นสุดแห่งทุก์ิึงต้องเจริญสติสมาธิแลกก็สร้างปัญญาดังที่กล่าวที่นิดพิจารณาอะไรเกิดขึ้นสัมผัสตาเห็นหูได้ยินจมูกสัมผัสกินลิ้นสัมผัสรสกาย ถูกต้อนต้องความร้อนความเย็นใช้ปัญญาวิจัยวิจารวิเคราะห์่านถึงเรียกว่าธรรมะวิจยะความสอดส่องในธรรมให้เข้าใจความจริงว่ามันมาจากรวมลงอันเดียวแล้วก็ได้แก่สัญญานะความจำได้หมายรูปสาคัญสำคัญผิดสำคัญถูกไป อจึงเป็นเหตุให้สังขารปรุงผิดแต่งผิดไปความเห็นผิดเกิดขึ้นจึงเกิดเป็นความส่ายแสบวุ่นวายเป็นความโลภความโกรธไปตามนั้นใจก็กระเทือนเพราะความโลภความโกรธมีความเศร้าหมองมีความเป็นสุขเป็นทุกข์ไปตามนั่นแต่ธรรมชาติใจแท้ ไม่เศร้ามองไม่เป็นสุขเป็นทุกข์อะไรลหละแต่มันอาศัยสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ที่รุ่มหลงอยู่เนี่ยมาปกคลุมเท่านั้นแหละเส้นภาวนาสร้างปัญญาจริงว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะคำสอนแห่งปัญญาสอนทานสอนศีล เพื่อตะลอมเข้าสู่ความจริงให้ประพฤติปฏิบัติมีความเสียสละให้ทานมีความสังวรระวังเว้นจากโทษที่ว่าศีลคือการเว้นจากโทษทางกายวาจาและก็ใจด้วยความมีสติมีสมาธิและด้วยการรู้ความเป็นจริง นั่นเป็นเป็นธรรมสุดยอดธรรมที่จะประหารทุกทั้งหลายหรือจะกำจัดอาสวะคือความไม่สะอาดความไม่บริสุทธิ์เดี๋ยว่าอาสวะเครื่องยังใจให้เร่าร้อนคือความหลงความไม่มีสติก็จะสร้างสติให้ลู่ให้ระลึกลูก่ ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดไม่มีการไม่มีเวลาอันจริงว่าอาการิโกโอปนยิโกเอหิปัสสิโกมันไม่มีการไม่มีเวลาในธรรมชาติรู้นี่ระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาสร้างอุปกรณ์คือสติ ยืนเดินนั่งนอนทำกิจการงานอะไรก็ให้รู้ต่อเนื่องกันมันจึงจะเป็นสติในองค์มรรคเป็นสติอันแน่นแฟ้นและจึงจะเป็นสมาธิความมั่นคงของใจใจมั่นคงในใจใจรู้ใจใ จ, ใจเห็นใจใจพึงใจ นี่เป็นกำลังแล้วก็วิจัยวิจารเข้าใจในศีลเข้าใจในสมาธิหรือว่าเข้าใจในทานเข้าใจในศีลเข้าใจในสวรรค์พระพุทธเจ้าพันรนาอานิสงของความสุขความสบายที่เรียกว่าสวรรค์สักสักสัก ข้าฐานบรรณานิสงเมื่อจิตใจนี่มีความเสื่อสละเป็นพื้นฐานแล้วความโลภความตณีความหวงแหนมันก็ไม่มีอำนาจในใจจะทำให้จิตใจนี่ปลอดโปร่งโล่งจากความหงความหวงความโลภไม่มีความหลงความโลภความโกรธมันก็ไม่มี มันจะทำลายกันไปตามลำดับทำลายกิเลสฆ่ากิเลสท่านเรียว่าภาวนาฆ่ากิเลสกิเลสคือความโลภความโกรธฆ่าความโลภได้รู้เท่าทันความโลภมันไม่มีเข้ามาสิงในใจล่ะใจก็สบายก็ดูในใจของเราเองน่ เวลาความโลภไม่มีใจเป็นปกติสบายถ้าความโลภความอยากเกิดขึ้นยากมากๆเป็นความโลภไม่มีเหตุผลอะไรแต่อยากกับอยากอันก็ร้อนใจเป็นทุกข์โกรธก็เหมือนกันความโกรธเดียดดานเกิดขึ้นเพราะความถือตัวถือตนถือเราถือเขาเจึงเป็นเชื่อแห่งความโกรธ ถ้ารู้เป็นความไม่มีตัวมีตนอะไ ร, รนั้นก็ไม่มีเชื่อให้ความโกรธเกิดขึ้นนี่จริงกว่ารู้ด้วยปัญญาว่ามันไม่ใช่ตัวใช่ตนปัญญาสอนใจให้รู้ให้รู้เข้าใจอย่างนั้นก็เรียกว่าฆ่าความโกรธด้วยเมตตา ถ้าความโกรธด้วยภาวนาจเจริญเมตตาก็มีความสุขท่านจึงกล่าวว่าโกทังคั ต, ตวาสุขังเสติถ้าความโกรธด้วยปัญญาได้ลยย่อมอยู่เป็นสุขเหมือนกันโลภคัตวาสุขังเสติเหมือนกันถ้าความโลภได้ด้วยสติปัญญาเลย อยู่เป็นสุขไม่มีโรคโกรธหลงสามอย่างไม่มีในใจละกม็มีแต่ธรรมชาติรูก้ก็สบายที่มันไม่สบายที่มันทุกข์ก็มีกิเลสเครื่องร้อยรัดเครื่องยังกิดให้เศร้าหมองนี่รักษาศีลให้ทานรักษาศีลเพื่อฆ่าความโกรธ จเจริญภาวนาเพื่อฆ่าความโกรธฆ่าความโลภคือทาแสงสว่างแห่งปัญญาให้ลุกโรงขึ้นในใจเห็นสภาวะทั้งหลายเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนประชุมรวมลงสู่อนัตตาธรรมสิ้นสุดเชื่อ ของทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี่พยาพยามทาพยายามปฏิบัติตั้งความเพียรตั้งความเพียรให้มีความจงใจความเอาใจใส่ในการรู้ตัวในการรู้ใจกิเลสมันถักดันมันขี้เกียจมากาหนดรูมารู ตั้งสติอยู่นี่มันลำคาญมันหงดหิดมันลำคาญสู้ปล่อยปะละเลยอยากคิดอะไรก็คิดไปนึกอะไรก็นึกไปด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงเลื่อยไปนั่นจึงเป็นที่สบายของกิเลสถ้าเอาทรรมเข้ามาทำกลับแล้วมันกิเลสมันเล่าร้อนถึงมันจะเล่าร้อนก็ตามปฏิบัติธรรม ทําบุญทําทานให้ทานรักษาศีลภาวนาเพื่อจะฆ่ากิเลสก็ให้มันร้อนขึ้นมากๆท่านจึงว่าทําความดีให้เป็นตะปะให้มีกําลังแผดเผากิเลสให้เล่าร้อนจนมันหมดเชื้อออกไปจากใจจะรู้ได้ด้วยปัญญาทอดทุระนี่เรียกว่า เป็นผู้มีการภาวนามีการปฏิบัติธรรมถ้าหาว่าไม่ปฏิบัติอย่างนั้นปล่อยปะละเลยปล่อยกายปล่อยใจใจของตัวเองแท้ๆก็ยังไม่รู้นั่นคือการปล่อยภาวนานให้รู้ใจให้รู้ความรู้ให้รู้กายที่ความรู้คือใจอาศัย มันเป็นเพียงอวัยวธาตุอาณาจธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นส่วนใจนี่มันไม่มีตัวไม่มีตนแต่สุดท้ายมันมันมั น, มนไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่เอาอะไรปล่อยวางว่างหมดเมื่อเข้าถึงธรรมความเป็นจริงหล่านั้นลหละเป็นธรรมชาติแห่งความไม่มีทุกข์ ไม่มีเชื่อให้เกิดทุกข์อีกต่อไปตอ็ร่างกายของเราเนี่ยมันก็เป็นธาตุแท้ระกอบอยู่ด้วยดินน้ำไฟลมเมื่อเขาแยกสลายออกจากกันเย่างเขาก็เป็นดินน้ำไฟลมตามธรรมชาติของเขานี่ให้พิจารณาด้วยปัญญาในเก่งว่าทำลายความหลงความไม่รู้ ด้วยปัญญาเมื่อพิจารณาไปพิจารณาไปและเอียดเข้าไปมันประชุมเห็นตามเป็นจริงนั่นแหละที่นี่เรียกว่ามันเผาผ่านด้วยตปะธรรมคือสติสมาธิและปัญญาที่ร้อนสูงแล้วมันจึงหมดเชื่อความหลงความลุ่มหลงจึงหมดเชื่อ ส่วนใจก็เป็นใจแหละเมื่อมันหมดเชื่อที่ห่อ ห, อหุห้มเรือแต่ธรรมชาติรู้อือธรรมธาตุหรือธรราตุรู้กายเป็นดินเป็นน้ำธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุใจเนี่ยไม่มีเชื่อที่จะให้เกิดความโลภโกรธลงแล้ว ก็เหลือแต่ถาดบริสุทธิ<ม>์ก็เป็นความสุขตลอดไปโลภโกรดลงหมดฤทธิ์หมดเดชไปจากใจอันนี้ไม่สามารถที่จะมาเอาใจดวงนี้เป็นโลภบังหน้าได้เพราะใจดวงนี้ได้สร้าง สติสมาธิและปัญญาเป็นเครื่องขจัดเหตุที่จะให้โรคโกรธหลงคือความไม่รู้ที่เดี๋ยวอาวิชาที่จะให้เกิดตัณหาความอยากก็เพราะความไม่รู้ตามเป็นจริงจะให้เกิดความโรคก็เพราะความไม่รู้ตามเป็นจริงให้เกิดความโกรธก็เพราะความไม่รู้ตามเป็นจริง ี่นี่เมื่อสร้างความรู้ทำความรู้ให้รู้เห็นสว่างสวัยตามความเป็นจริงแล้วนันก็หมดปัญหาหมดปัญหาโลกปัญหาโลกปัญหาสงสารหรือหมดคดีในวัฏฏะสงสารที่จะต้องมาสุขมาทุกมาเกิดมาแก่มาเก็บมาตาย ในภพน้อยและภพใหญ่สังสารลันตาภาวะภาวะเกิดในภพน้อยและภพใหญ่มีคขั้นห้าและขั้นสี่และขั้นหนึ่งสิ้นสุดกันลงไปเหลือแต่ธรรมชาติรูปอันเดียวแล้วนี่อาศัยการประพฤติปฏิบัติธรรมะตามคามสอนของพระพุทธเจ้า มีความเพียรตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมผลประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับใจนี่แหละไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นกับใจดวงนี่แหละเมื่อมันได้ธรรมะคลองใจได้บุญกุศลคุณงามความดีเป็นเครื่องคลองใจแหละ ก็ทำให้มีความสุขเป็นขั้นๆไปนับแต่เบื้องตน้นความสุขเพราะทานความสุขเพราะศีลคือความบริสุทธิ์ไม่มีโทษความสุขเพราะสติต่อเนื่องกันความสุขเพราะสมาธิความมั่นคงใจเป็นใจอันเดียวความสุขเพราะปัญญาทำลายความหลงให้สิ้นสุดไปจะเป็นปัจจตังเราจะรู้เองเห็นเอง เข้าใจเองจำเพาะตนตการอธิบายธรรมะอบรมใจเห็นว่าสมควรแก่การเวลายิ่งขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี่ด้วยอนุภาพบุญกุศลคงามความดีที่ได้กระทำบำเพ็ญมา คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์จงรวมเป็นพร ะ, ระเป็นกำลังนุนนำจิตใจของเราให้มีความเพียรความอุตสาหะมีมณะความคงใจอดทนต่อสู้กับการกระทำความดีให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วให้ประสบคบความ สำเร็จแห่งธรรมในที่สุดในที่ทุสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเออ